การดำเนินทางศา ส, สนาจึงเรียกว่าการดำเนินภายในกับการดำเนินภายนอกที่ดำเนินกัน ยอมขึ้นอยู่กับทางที่เดินและการเดินของผู้จะไปสู่จุดนั้ น, น, นการนำเนินทางศาสนาคือเรื่องของแต่ละท่านละท่าน ที่จะดำเนินไปตามจุดหมายที่ตนได้ตั้งไว้อย่างไดทางที่จะดำเนินนั้นได้จะสวขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วสวขาตธรรมเมื่อรวมลงให้เป็นทางเดิน เฉพาะนักบวชของเราที่ได้รู้กันจนติดติตติดใจก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่ามักแปกนี่คือทางดำเนินที่ได้รับความราบรื่นสำหรับผู้ปฏิบัติมาแล้วมีมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เป็นจำนวนมากเนื่องจากการเดินให้ตรงตามหนทางคือมักคุปมีสมาธิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือทางดำเนินเพื่อสู่สันติธรรมได้แต่มักคุปติผ่านทางนี้ ได้ปรากฏมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้เสื่อมศูนอันตรธานไปจากสวัพาตาธรรมที่ทรงจัดไว้ชอบแล้วแม้พระองค์ได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก็เป็นมาจากทางสายนี้เท่านั้นทางอื่นที่จะให้ทิ้งความเป็นพุท ธ, ธคือศาสด า, าเอกของโลกนั้นไม่มีแม้สาวกอรหันที่บรรดาพุทธศาสนิขชนได้กราบว่าอยู่เป็นคู่ชีวิตจิตใจ มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็โปรดได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากทางสายนี้ธรรมะที่บริสุทธิ์อันเป็นสรระนักที่สองก็คือท่านผู้ดำเนินทางสายนี้มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นต้น ได้ประสบพบธรรมะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมะที่บริสุทธินั้นจะมีอยู่ที่จุดแห่งขุนทางคือสมาธิเป็นต้นจะไม่นอกไปจากนี้เลย แต่ถ้าเดินให้ผิดจากทางสายนี้แล้วธรรมะที่กล่าวนี้จะไม่ปรากฏฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดได้สังเกตหนทางที่เรากำลังเดินอยู่นบัตนี้ด้วยดีผู้ที่จะเดินทางสายนี้ ได้แก่ลูกศิษย์ของพระตาคดเท่านั้นนอกจากศิษย์ของพระตาคดแล้วจะไม่มีใครเดินคำว่าศิษย์พระตาคดก็ได้แก่พุทธบริษัททั้งสี่เพราะพุทธบริษัททั้งสี่ก็คือพวกเรานี่เองไม่ใช่อีกใกลที่ไหนซึ่งกําลังเดินตาม น้อยพระมาทของพระพุทธเจ้าอยู่ลำบัดนี้โปรต้สังเกตทางเดินและสังเกตการก้าวไปตามพุ่งทางของตนได้แกกความเคลื่อนไหวแห่งกายและว่าจาซึ่งออกมาจากดวงใจอันเป็นรากฐานสำคัญให้ดี กายกับวาจานี้เป็นเช่นเดียวกับรถใจเป็นเช่นเดียวกับผู้ขับรถมัคโคที่ว่าเป็นทางสายเอกนั้นเป็นเช่นเดียวกับถนนหนทางจะไปสู่จุดประสงค์ของเราผู้เดินทางทางปีกทางแวะมีจำนวนมากในสองภากทางไม่มีสิ้นสุด แต่ผู้เดินทางจะต้องมุ่งดูจุดที่ถูกต้องเป็นจุดสำคัญการเหลือซ้ายแลขวาต้องมองดูทางที่จะทำตนให้ผิดปและมองดูทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นให้ถูกต้องคนขับรถที่จะ ถึงจุดประสงค์ไม่ได้หนึ่งไม่รู้หนทางเดินไปสู่จุดประสงค์ของตนที่มุ่งไว้สองเป็นคนขับรถมือไม่ดีสามความรอบคอบในการขับรถและในการเดินทางไม่ดีเป็นเหตุจะทำ รถและตนอยางน้อยก็เสียเวลามากไปกว่านั้นรถก็เสียและเป็นอันตรายทั้งแก่รถด้วยทั้งแก่ตนลถถ้าเป็นผู้มีความรอบคอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับรถและรู้ทางที่ผิดและถูก ได้แล้วการขับรถก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบายถึงตามเว ล, เวลาที่ตนกำหนดหมายเอาไว้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรซึ่งเป็นทางสายเอกอันผู้ดำเนินตามทางสายนี้แล้วนับบรรจับเป็นผู้เหินห่าง จากอุปรสรรคที่เคยมีรอบด้านในจิตใจของเราจะได้พากจากอุปรสรรคซึ่งเคยเป็นมาของตนเองไปได้โดยลำดับแค่นั้นจงประคองรถของตนให้ดีประคองกายคือความประพฤติของเรา ประคองวาจาคือการพูดของเราประคองจิตใจให้เป็นไปตามแถวแห่งทางคือธรรมะของพระพุทธเจา้าอย่าให้ปลีกยแวะที่ไหนไหนถือจุดแห่งสวัาตาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินให้ดี อาการแห่งความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างที่จะเป็นขึ้นปรากฏขึ้นในกายวาจาใจของเราโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้วินิชัยเงียบร้อยตามกำลังของสติปัญญาของตนก่อนแล้วค่อยให้เคลื่อนคลาดออกมาเป็นความประพฤต ทางกายและวาจาจะกลายเป็นความประพฤติที่ชอบใจแม้จะคิดออกมาก็จะหลุดลอยออกมาจากความกันกรองของสติ ก, กัญญาที่ดังนี้ใช้ด้วยดีแล้ว สิ่งที่เรากระทําทั้งหมดด้วยกายวาจาใจจะกลับเป็นคุณประโยชน์ไปส่งเสริมจิตใจให้รับความเยือกเย็นแล้วการก้าวไปแห่งใจของเราจะก้าวเข้าสู่ความสงบเยือกเย็น เป็นเบื้องต้นก็คือสมาธิขั้นยาวก้าวต่อไปก็จะเป็นสมาธิขั้นกลางก้าวต่อไปก็จะเป็นขั้นสม า, สมาธิขั้นละเอียดปัญญาเป็นพี่เลี้ยงกับสติเป็นผู้ควบคุมดูแลในการดำเนิน ปฏิปทาของตนจิตจะได้รับความเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปการปฏิบัติถ้าไม่คำหนึง่งถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของตนให้มากแล้วทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวออกมา จะกลายเป็นโมฆะไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีสาระประโยชน์อันใดจะเกิดขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวแห่งกายมาจาใจทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดถึงวันนี้ถึงวันตายไปถึงวันตายจะไม่รับผลประโยชน์อันใดโปรดได้ทราบไว้อย่างนี้ นี่คือวิธีเดินทางเพื่อสู่สันติธรรมคือสถานที่หมดภัยหมดเวรสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความกระเพื่อมหรือขุ่นมัวแล้วแสดงผลให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาสำหรับเรานั้นจะไม่อีกถ้าเราได้พยายามดำเนิน ตามทางมัชชิมาของพระโพธิเจ้าที่ทรงรับรองไว้แล้วตั้งแต่วันพระองค์เจ้าถึงความเป็นพุทธคือศาสด า, า, า, าของโลกมาเนะปโปรได้ทราบว่าพุทธทั้งพุทธของพระพุทธิเจ้าทั้งพุทธของสาวกอรหันทั้งพุทธของเราที่ได้รับความรู้สึกอยู่นับบัดนี้ จะแปลสภาพสู่ความเป็นพุทธะอันรบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นจากทางที่กล่าวนี้ทางนี้เป็นธรรมรับรองสำหรับผู้ดำเนินก้าวไปถูกตามสวดาตธรรม ที่พระองค์ทรงประทานมาแล้วจะไม่ถึงความเป็นอื่นจากความบริสุทธิ์การพิจารณา้าจิตของเรายังไม่มีหลักฐานบ้างรู้สึกจะรวนเหละหาหลักยึดไม่ได้ นี่เป็นของสำคัญจะให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทั้งๆ ท, ที่มีความมุ่งต่อความพ้นทุกข์อย่อยางเต็มใจแต่ความลำคาญเพราะเหตุแห่งการยึดหลักไม่ได้นี่ยอมจะมีด้วยกันทุกหลย์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งหลัก ฐานไว้ที่สติปฐานสีเฉพาะอย่างยิ่งคือกายซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเ น, นื้อขอให้จิตของเรามีความรู้สึกสัมผัสอยู่กับกายทุกเวลาได้ยิ่งเป็นการดีความสัมผัสในระหว่างจิตกับกายที่ถูกต้องกันอยู่นั้น ให้มีสติเป็นเครื่องกากับรักษามีปัญญาพาไก่กรองตามลักษณะของส่วนแห่งร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกเที่ยวกับไปกลับมาขึ้นลงอยู่ในสนรพางร่างกายอันนี้เรื่องความรังเลสงสัยที่ไหนนั้นเราไม่ต้อง ไปเป็นอารมณ์ขอให้ถือกายซึ่งเป็นหลักปัจจุบันธรรมนี้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจได้อาศัยความรู้สึกให้อยู่จำเพาะกับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมแล้วใจที่เคยส่งไปสู่อดีตอนาคตจะปรากฏความรู้ที่ เคยสายแสไปนั้นรวมเข้ามาสู่จุด ป, ปัจจุบันจะปรากฏเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมาที่ใจซึ่งอาศัยกายเป็นหลักยึดเมื่อจิตได้รวมกระแสของตนที่ส่งไปในสถานที่ต่างๆ ได้รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวแล้วความรู้นั้นจะเห็นได้ชัดและเด่นในตัวเองเพราะการยึดกายเป็นตัวเหตุส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยเฉยจะเกิดขึ้นในกายอันนี้ก็จะเริ่มรู้ชัดเห็นชัดอีกเช่นเดียวกันกับ เรารู้ชัดเห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายเพราะเวทนามีอยู่ในจิตเดียวกันคือกายอันนี้แม้เวทนาส่วนจิตที่เป็นอยู่กับกจิตโดยเฉพาะก็จะพ้นไปจากวิสัยของของจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ เกล้าประครองจิตอยู่เสมอไปไม่ได้นี่เรียกว่าตําเนินเป็นมัชชิ ม, มาไม่ได้แสรสายไปตามอดีตอนาคตให้ปรากฏหลักความรู้ของตนอยู่กับกายซึ่งเป็นปัจจุบันนธรรมเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานหรือความสงบมากน้อยที่ตนได้ มุ่งไว้แล้วอย่าไปคาดข้างนอกให้หนีจากหลักสติปัฏฐานสีอันเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมที่กล่าวมานี้สติปัฏฐานสีคือกายเวทนาหยธรรมเป็นปัจจุบันนาการอยู่เสมอที่เราไม่สามารถจะเห็นกายตามเรื่องของกาย เห็นเมตนาจิตธรรมตามเรื่องของธรรมเหล่านี้เพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันตามสถานที่อยู่แห่งธรรมที่กล่าวมานี้ถ้าจิตได้ตั้งลงสู่ปัจจุบันตามฐานแห่งธรรมทั้งสี่ที่กล่าวมานี้แล้วความรู้ความฉนาดที่จะพึ่งปรากฏขึ้นมา เพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวเหตุจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้อย่างไรเห่ยาฐานที่เกิดขึ้นแห่งพุทธะไม่ว่าพุทธะของท่านผู้ใดนับแต่ของพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงของเรานาบัดนี้โตได้ทราบว่าสติปัฏฐานสี่เป็นที่พ่อปลูก พุทธะให้มีความเฉลียวฉลาดพองใสหรือสงบเยือกเย็นขึ้นเป็นชั้นๆจนกลายเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในตนอย่างสมบูรณ์ได้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานสีหรือไม่นอกเหนือไปจากอริยะสัจจะทมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ไปได้เลย ความอยากที่เราตั้งไว้โดยปราศจากหลักเหตุที่ชอบนั้นจะไม่เป็นผลอันใดแก่เราเลยถ้าความอยากเกิดขึ้นจะมากน้อยผลปรากฏขึ้นมาตามความอยากนั่นแล้ว คำว่มมามัชชิมาหรือสวขขาตธรรมของพระพธิเจ้าก็จะไม่เป็นผลประโยชน์อะไรแกบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายธรรมดาความอยากนั้นอยากนวยกันอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพาน อยากได้บุญมากมากอยากพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเย็นว่าตายเกิดอันนี้เป็นสื่อเบื้องตน้นที่จะให้ผู้มีความอยากนั่นนั้นได้ดำเนินตามความอยากของตนด้วยข้อปฏิมติอันชอบธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว เพราะฉะนั้นคำว่ามัชชิมาปฏิปทาจึงเป็นธรรมรับรองท่านผู้มีความต้องการตามทางพระพุทธเจา้าใหด้ดำเนินไปตามโดยถูกต้องแล้วผลที่มุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นๆตามกําลังความสามารถของตนของตน เราจะก้าวหน้าถอยกลับจะเลือบซ้ายแลขวาโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้ทาหน้าที่รู้เรื่องในการเลือบซ้ายแลขวาหรือก้าวหน้าถอยกลับของตนอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะความโงกเขลาวบวปัญญาเดินออกหน้าสติกับปัญญา อันเป็นธรรมเฉลียวฉลาดเราจะกลายเป็นคนโง่ไปตามความโง่ที่เป็นหัวหน้าฉุดลากเราไปและไม่เคยเห็นในที่ไหนไหนว่าผู้ดำเนินตามความโง่เขลาเบาปัญญาฉุดลากไปนั้นได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมา นอกจากจะดำเนินไปทางความฉลาดหรือวิธีการที่ฉลาดด้วยทมที่ฉลาดเท่านั้นจะปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมาขอให้ทุกท่านได้ประหนักในใจเสมอการพิจารณา อาการแห่งกายของตนส่วนไหนขอให้มีสติรับรู้ตลอดอาการนั้นๆที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะที่จิตซึ่งมีสติเป็นเครื่องกากับอยู่นั้นจะมีความรู้จึกในตนเองอย่างเต็มที่ด้วย และจะมีความรู้สึกในาอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาอยู่ด้วยสตินั้นอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อความรู้สึกได้ปรากฏพระอำนาจของสติเป็นเครื่องกำกับอยู่เช่นนี้ความรู้สึกนี้จะค่อยแปลสภาพเข้าสู่ความแยบคาย และเห็นเหตุผลในส่วนแห่งกายไม่ว่าอาการใดๆจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคำที่ว่าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเห็นโทษในทุกจะเป็นทุกทางกายหรือทุกทางใจก็จะเห็นจะรู้ขึ้นเพราะอำนาจของความเทียนที่มีสติและปัญญาเป็นเครื่องปกครองอยู่ โทษแทงเรื่องความเกิดก็หมายถึงกายอันนี้แต่เราจะมาตําหนิกายอันนี้ว่าเป็นตัวโทษก็ไม่ถูกโดยทายเดียวต้องค้นหาสาเหตุของกายว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณากายนี้ก็คือพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความหลงของตนนั่นเอง การนี้ไม่ใช่ผู้ที่หลงและไม่ใช่ผู้จะรู้ในสิ่งต่างๆนอกจากเป็นตัววัตถุอันหนึ่งเท่านั้นความรู้กับความหลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายอันนี้แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครองกายนี้อยู่ได้แก่หัวใจดวงโง่ๆอันนี้เองเมื่อดวงใจดวงโ ง, โง่ๆได้ถูกทำรรที่ฉล า, าดคือสติกับปัญญา เป็นเครื่องกำกับหรือเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่ตลอดการแล้วจิตของเราไม่ใช่จะงโง่อยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมาเป็นลำดับและสามารถจะเห็นความจริงที่ท่านกล่าวว่าของจริงทางของจริงคือทุก ทั้งของจริงคือสมุ ท, ทยัยทั้งของจริงคือมรรคได้แก่ข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทั้งของจริงคือนิโรธะความดับสนัดดับสนิทแห่งกองคูกทั้งหลายทั้งของจริงอันยอดเยี่ยมซึ่งจากของจริงทั้งสีน่นี้ไปเป็นประเภทอันหนึ่ง ได้แกผู้หลุพนคือวิมุตตพุทธโธเราจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขอได้พากันกำหนดลงปัตตุบัน ทุกๆปียาบทของตนเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เสียเ ว, เวลาและตัดทอนความดีที่เรามุ่งไว้ให้เสียไปนอกจากหลักปัจจุบันนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือให้ได้สมความปรารถนาของเรา เราจะเห็นทุกอาการหรือไม่เห็นไม่เป็นของสําคัญในส่วนแห่งร่างกาย น, นี้ขอเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเพียงจะพิจารนาว่าความแปรปรวนเท่านั้นปัญญาจะสามารถแทงตลอดไปหมดทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งร่างกายทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งความรู้ ที่เกิดขึ้นมาจากใจที่เรียกว่าเจตสิกกรรมทางภายในนี้ด้วยทั้งความแปรปรวนทั่วทั้งโลกกระทด้วยโดยทางปัญญาถ้าจะพูดถึงเรื่องกองทุกไม่ว่าทุกภายนอกที่เราเห็นสัตว์และบุคคลทุกทุ ก, ท, กทั่วโลก ไม่ว่าทุกข้างในคือกายของเราเองและไม่ว่าทุกข้างในจริงๆคือเรื่องหัวใจที่ถูกกิเลสอันตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นไว้ย่ำยีตนเองให้รับความทุกข์ความทรมารเราจะเห็นด้วยอำนาจของสติและปัญญาทั้งนั้นนอกจากสติกับปัญญาแล้วจะไม่มีอันไดสามารถ เป็นกุญแจดอกสำคัญจะเปิดรื้อถอนเรื่องทุกทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งของเ่าของเราให้เห็นชัดเจนขึ้นมาได้และนอกจากสติกับปัญญาอันประกอบเป็นองค์แห่งความเพียนแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถรื้อฟื้นตนของตนให้พ้นจากทุกข์ถึงความเบริสุดได้โดยถูกต้อง เรื่องของสติกับปัญญาจริงเป็นเรื่องสัมพันธ์และเป็นเรื่องจำเป็นทางพระพุทธศาสนาด้วยเราเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาและเพื่อความพ้นทุกข์สาหรับตนเองแนวเรื่องสติกับปัญญาจริงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสําหรับเราจะนำมาประความความเพียรของตนให้เป็นไปโดยความสม่สำเสมอ ชาตินี้ชาติหน้าเรื่องเกิดเรื่องตายโปรดอย่าพากันสงสัยไม่มีอะไรที่จะสามารถพิสูจน์หรือไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ให้ยิ่งกว่าเราจะพิสูจน์ตัวของเราซึ่งปรากฏดุนับัตอันเต็มไปด้วยเรื่องเกิดเรื่องตายมีอยู่กับตัวของเราทุกทุกท่าน ไม่มีใครจะบกพร่องหรือมากน้อยต่างกันเรื่องความทุกข์ความทรมานที่เป็นอยู่กับกายกับใจของเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูข้างนอกดูในตัวของเรานี่ก็พอโลกนี้มีความสมบูรณ์แค่ไหนคำว่าโลกนี้ให้หมายถึงตัวของเรานี่เอง อย่าไปหมายถึงดินฟ้าอากาศคนอื่นใดๆทั้งนั้นจะเป็นความผิดเพราะการรื้อถอนทุกนั้นจะรื้อถอนทุกที่มีอยู่กับตัวของเราเท่านั้นไม่ใช่จะไปรื้อถอนทุกเพื่อผู้ใดหรือให้ผู้ใดใครทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าโลกต้องหมายถึงกายกับใจของเราทั้งชินนี้ เราไม่เป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเสียเองตายซึ่งเป็นตัวโลกอันหนึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นจิเลสที่มีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้สั่งสมก้อนธาตุขึ้นมากลายเป็นตัวโลกถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งสมแล้วใครจะมาสามารถสั่งสมให้เราเรื่องโลกที่สมบูรณ์จึงมีอยู่กับตัวของเรา แล้วมีความเพียงพอที่ไหนโลกคือกายของเราคือใจของเราไม่มีวันสมบูรณ์บกพรังอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ความทนามานย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนและเรายังจะเห็นว่าเป็นดอกบัวที่ไหนกันอีก ทุกเป็นของจริงแต่ผู้พิจารณาทุกข์ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงของทุกขก็ไม่สามารถจะเห็นทุกขว่าเป็นของจริงประจักษ์กับใจได้ทุกนี้เคยจริงมาตลอดกับตลอดกันไม่เคยปลอมต่อบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดทั้งนั้นแต่เรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าจอมปลอมนี้มันปลอมอยู่ทั้งวันทั้งคืน ยังไม่สามารถที่จะมองเห็นทุกอันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ภายในใจของตนเราจึงกลับตำหนิทุกข์ให้เป็นต่างๆตามความหู่ของตนที่ไม่มองเห็นทุกอย่างเจมแจ้ ง, งฉะนั้นบัดนี้จงพากันพิจารณาดูทุก ซึ่งประกาศอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายในใจของเราให้เห็นชัดด้วยความเพียรเพื่อดูทุกนี้ให้จบได้ถ้าดูกองทุกในกายในใจของเราทั่วถึงแล้วเราจะไม่สงสัยในทุกที่นอกไปจากนี้อีกต่อไปเรื่องการเย็นเกิดเย็นตายเราก็ไม่มีความสงสัย เพราะเรื่องความเย็ยนเกิดเป็นตายก็คือเรื่องของเราความรู้สาเหตุแห่งความเย็ยนเกิดเป็ียนตายก็คือเรื่องของเราเป็นผู้ค้นหรือเป็นผู้แสวงหาจนสามารถรู้เรื่องหรือสาเหตุของความเกิดความตายได้ด้วยอานาจแห่งความเพียนของเราเกิดตายจะมาจากไหน ผู้เกิดผู้ตายก็คือผู้ที่รู้ตัวเองใช่แล้วแล้ววันนี้ก็มีผู้มาถามถึงเรื่องการเกิดการตายตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วอย่างน่คนเรางูถึงขนาดนั้น ไอเราเป็นผู้มาเกิดเรายังสงสัยเรื่องความเกิดกลับเอาตัวความเกิดที่ปรากฏอยู่กับตนนี้ความทิ่ลงไปว่าเป็นความศูนย์ไปเสียก็เมื่อสิ่งในโลกนี้มันศูนย์แล้วจะเอาอะไรมาเกิด ไอเราที่มาเกิดเป็นรูปเป็นกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลหญิงชายทโลกต้องเอาออกจากของที่มีอยู่คือความของที่ไม่สูญนั่นเองมาตั้งขึ้นเป็นธาตุเป็นขันผู้ที่มาครองร่างกายนี้ก็ได้เดจ็บกิจใจถ้าใจสูญไปแล้วใครจะมาครองอ่างนีน้มันไม่มีอะไรสูญในโลกนี้ ผู้ที่เข้าใจว่าศูนย์ก็คือผู้ที่มีอยู่นั่นเองถ้าผู้ที่ถึงความศูนย์อย่างแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอันใดสามารถมาผิดผลคือร่างกายนี้ขึ้นมาให้รับความทุกข์ยากเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายนั่นจะให้น้ำ ม, มา ท่านผู้สูญสิ้นโดยถูกต้องก็ไม่ผิดนิพพานังปรามังสูญอย่างท่านมานิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งเรามันไม่ถึงนิพพานังปรามังสูญอย่างคือธรรมที่สูญอย่างนิธรรมชาติที่สูญอย่างยิ่ มันจึงเต็มปไปด้วยความสงสัยความยุ่งเหยิงตนเองเป็นผู้เกิดมายัางสงสัยเรื่องความเกิดของตนแล้วตายเนี้ยเข้าใจว่าจะสูญไปอีกทั้งๆผู้ที่มาเกิดอยู่นั่นคือผู้ไม่สูญนั่นเองแล้วจะไปเกิดข้างหน้าจะเอาใครไปเกิดนอกจากจะเอาผู้ที่สงสัยอยู่นี้ไปเกิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรไปเกิด ของไม่มีจะเอามาเกิดได้อย่างไรสิ่งที่มีอยู่จึงต้องมาเกิดได้ธาตุสีดินน้ำลมไฟที่เรามาถือเป็นสมบัติมีใจเป็นเจ้าครองนี้เคยสูญไปจากโลกที่ไหนใจที่เป็นไปกับด้วยเชื่อคือความหลงครอบคุมตนเอง อย่างเต็มที่นำมาพาตนให้มาเกิดถือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นร่างของตนก็คือดวงใจดวงนี้แล้วอะไรจะสูญไปที่ไหนฉะนั้นขอให้ทุกทุกท่านรงดูเรื่องหงวัวใจผู้เป็นเจ้าปัญหา ปัญหาความสงสัยในเรื่องของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครจะสั่งสมขึ้นมานอกจากหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่เกิดขึ้นมาก็คือใจดวงนี้เป็นตัวเหตุตัวการและมาสงสัยเรื่องความเกิดของตนทั้งๆ ท, ท, ที่ตนก็เป็นผู้เกิดอยู่แล้วร้อยเปร์เซนก็คือเรื่องหัวใจดวงนี้และจงพยายามดูเรื่องสาเหตุแห่งความเกิดของตน ด้วยมรรคคือศีนสมาธิปัญญาคนดูสาเหตุแห่งกิดที่มาเกิดนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะเรื่องหลงุงธาตุสี่ดินน้ำหลวงไฟว่าเป็นเราทั้งตัวนั่นเองพูดง่ายง่ายเป็นอย่างนี้ถ้าดูให้เห็นชัดตามหลักธรรมชาติ ของส่วนแห่งร่างกายนี้แล้วก็จะมีปัญหาที่ตรงไหนดูข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในในปัจจุบันนี้ก็พอดูอยู่แล้วเนืจะแยกให้เห็นตามความเป็นจริงแข็งของส่วนแห่งธาตุก็จะชัดขึ้นในส่วนแห่งกายอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรวมเขาแล้วเป็นกายอันนี้มีวิธีพิจารณา ให้เห็นโลกอันโดยทั่วถึงภายในกายภายในใจของเราโปรดได้พิจารณาดูให้ชัดเมื่อจิตได้ท่องเที่ยวอยู่กับส่วนแห่งกายนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะทรงไปสู่ข้างนอกปรากฏเป็นปัจจุบันนัจิตเพราะอำนาจแห่งปัจจุบันนักกายเป็นที่อาศัยของใจยอยู่ จะมีความเยือกเย็นจะมีความสงบขึ้นมาภายในใจของเราทำแล้วทำเล่าสงบแล้วสงบเล่าอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนทางความในทางความเพียรเอาสถานที่นี่เองเป็นสมอรผูเครื่องรบกับภาพศึกที่มีในตัวเอง ที่ท่านให้ชื่อว่ากิเันหาอาสวะได้แก่เรื่องของตัวท่างนั้นเพราะฉะนั้นดีก็คือเราชั่วก็คือเราจึงแยกจากกันลาบากเหมือนกันถ้าดีเป็นผู้อื่นเสียชั่วเป็นเราหรือดีเป็นเราชั่วเป็นคนอื่นเสียบ้างแล้วจะแยกจากกันได้โดยง่ายดาย เหมือนอย่างเขากับเราเป็นคนละคนเมื่อเราไม่พอใจเราแยกจากจากเขาไปเสียก็ได้แต่อีดีกับชั่วก็คือเรื่องของเราเป็นเราผู้เดียวนี้มันแยกกันยากเหลือเกินไห้ผู้อยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องของเราไอ้ผู้ขี้เกียจขี้คร้านเต็มอยู่ในตัวนี้ก็คือเรื่องของเราเลยไม่ทราบว่าจะแยกตัวไหนให้ออกไปตัวไหนให้อยู่ครอบครองในจิตใจตรงนี้ เพื่อไม่เสียเราก็เลยต้องเอาทั้งความขี้เกียจชีคร้านเอาทั้งภาวนาผลสุดท้ายก็ได้ตั้งแต่ความขี้เกียจชีคร้านความโง่เต็มตัวของเราเลยกลายเป็นว่าความโง่ทั้งหมดก็คือเรานี่มันจึงถึงความพ้นทุกข์ไปได้โดยลาดับไม่ได้เพราะเหตุนี้เองขอให้เราทั้งหลายทราบเพียงเราในอะไรในเรื่องเราทั้งหมดรวมทั้งหมดมันเป็นเราทั้งหมดไม่มี ชิ้นใดอันใดหรือคนใดใครผู้หนึ่งจะมาเป็นเราแทนตัวของเรานอกจากภายในกายกับจิตใจของเราเท่านั้นและความรู้ความเห็นทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันกลายเป็นเราเสียทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าเราที่แท้จริงคืออะไรอะไรแฝงขึ้นมาก็เป็นเราเสียทั้งนั้นใน ห, หาเราไม่เกิคว้าเอาอะไรขึ้นมาก็เป็นเรา <c oughs> วันนี้เหนื่อยพักนอนสะหน่อยเสียก็คือเรานอนเช้คืนย่งรุ่งก็คือเราความที่เกียดชี้ค้านไม่อยากแฝประกอบความภาคความเพียรก็คือเรา อ, อยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกก็คือเราเะอีกแต่การก้าวไปเสียจริงๆนั้นชะงักก็คือเรามันจริงแยกกันยากอย่างนี้ นันขอให้แยกด้วยวิธีที่อธิบายให้ฟังแยกดูเราให้ชัดในส่วนแห่งร่างกายของทุกอของร่างกายทุกๆุกอากาศด้วยสติกับปัญญาดูเราให้ชัดว่าอะไรที่แท้จริงซึ่งเป็นเราแท้เมื่อเห็นส่วนแห่งร่างกายชัดด้วยปัญญาเนี่ยส่วนเวทนาความสุขความทุกข์ ความเฉยๆสัญญาความจดจาสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้ก็จะเป็นหนึ่งจากเราไปอีกเช่นเดียวกับส่วนร่างกายที่เราถือว่าเป็นเราแต่ก่อนต่อเมื่อได้แยกออกด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งจากเราเวทนาสุขคุกเฉยๆก็จะเป็นอันหนึ่งจากเราไม่ใช่เราสังขารความปุง สัญญาความจำได้หมายมือยินยาณความรับรู้แต่ละชิ้นละชิ้นหรือแต่ละอย่างละอย่างจะกลายเป็นหนึ่งจากเราไปทางนั้นถ้าได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยให้ชัดเจนและด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะเห็นว่าอะไรเป็นเราที่แท้จริงอะไรเป็นเราที่แฝงอยู่กับตัวของเรากับใจของเรานี้ได้ชัดเจน อ, อีกนอกจากจะเห็นเรื่องกายทุกชิ้น เวทนาทุกส่วนสัญญาสังขารวิญญาณทุกๆอาการว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วยังจะเห็นธรรมชาติที่เคลือบแฝงอยู่กับภายในจิตใจอันเป็นเหตุให้กดดันออกมาสำคัญมันหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราได้ชัดเจนเข้าไปธรรมชาติที่ห้มห่อจิตใจที่แท้จริงนั่นคืออะไร นั่นก็จะได้แยกออกด้วยอำนาจของปัญญาจนสามารถแยกออกจากกาันได้ในเรื่องความรู้ที่มีเราอันจอมปลอมเคลือบแฝงนี้นเราจะแยกออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาสระดปัดทิ้งออกได้เพราะอำนาจของปัญญาแล้วเราจะ ได้ธรรมชาติที่บริสุทธิพุโทโธขึ้นมาครองหัวใจนี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นเราก็เป็นเราที่แท้จริงเป็นเราที่ไม่มีอะไรเคลือบแ่งใครจะมาโลกสูญโลกยังมีใครจะมาตายเกิดตายสูญเราจะไม่เป็นภาระไปเที่ยวแบกหามแทนคนไหนใครทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตน เขา น, นันแหละไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับใครๆอันนั้นขอให้พากันสนใจใครต่อความภาคความเพียนจะเห็นแดนแห่งเราที่แท้จริงแดนแห่งธรรมที่หมดปัญหาตัดเรื่องความเกิดแก่เก็บตายตัดเรื่องปัญหาทุกๆอย่าง ที่เคยผูกพันกับเรื่องของเราและจะตัดคำที่ว่าอะไรก็เป็นเราเสียหมดนั้นออกท่าจากภายในจากจิตใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานังปลมังสุนยังสูญสิ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วนิพพานังปลมังสุขขังจึงเป็นสุขอันเอกไม่มีสุขใดๆจะมาเคลือนแปลงอีกแล้ว ฉะนั้นในอวาสารแห่งพระธรรมเทศน้ความนาจคุณพรตนะไตรจงมาอภิบาลรักษาทุกๆุกท่านให้มีความสูกกาลสบายใจและสะดวกแก่การประกอบความภาคความเปลี่ยนให้ทิ้งแดนแห่งความพ้ น, พนทุกข์ดูตัวนากันเถอ